วันนี้เป็นวันอังคารที่ 27, สิบเจ็ดเส้งหาคมพุทธศักราชสอง7ห้าเจดเป็นวันพระในพระพุทธศาสนาทำไมเราจรึงต้องมีวันพระกันทุกๆประมาณ เจ็ดวันด้วยกันจะมีวันพระหนึ่งครั้งวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างเต็มรูปแบบ คือมาทำธุระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ชาวพุทธไว้ทำสองธุระด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการที่จะได้บำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจจิตใจนี้มีความสำคัญ เหมือนกับร่างกายแต่การดูแลร่างกายและการดูแลจิตใจนี้ต่างกันวิธีดูแลร่างกายกับดูแลจิตใจนี้ต่างกันจึงต้องมีเวลาให้ทั้งสองส่วนด้วยกันคือให้เวลากับการเลี้ยงดูร่างกายและมีเวลาให้ เลี้ยงดูจิตใจตลอดระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาเราก็ให้เวลากับการเลี้ยงดูร่างกายคือเราก็ไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองของร่างกายคือเราทางานเพื่อจะได้มี เงินไว้ซื้ออาหารไว้รับประทานซื้อเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่ซื้อที่ว่าศัยไว้หลับนอนและซื้ อ, อยารักษาโรคเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาคือเราต้องเตงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่ อาหารเครื่องนึงห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคถ้าเราไม่เลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่อย่างพอเพียงร่างกายของเราก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาและอาจจะนำไปสู่ความตายต่อไปก็ได้ เราจึงต้องมีเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายแต่เราก็ต้องมีเวลาให้กับการเลี้ยงดูจิตใจเช่นเดียวกันเพราะจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตของพวกเราถ้าเราเลี้ยงดูเพียงแต่ร่างกายให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายแต่เราไม่เลี้ยงดูจิตใจของเรา จิตใจของเราก็จะไม่สุขไม่สบายจิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถึงแม้ว่าเราจะสุขร่างกายแต่ถ้าใจเราไม่สุขความสุขทางร่างกายนี้มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะไปทำให้ความทุกข์ของจิตใจหายไปหรือทำให้จิตใจมีความสุข จากความสุขของทางร่างกายได้เลยเพราะจิตใจก็ต้องมีสิ่งที่จะทำให้จิตใจนี้มีความสุขทำให้จิตใจนี้ไม่มีความทุกข์เราจึงต้องมีวันพระกันวันพระนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธได้หยุดทาภารกิจ การทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เราไม่ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มาให้กับการเลี้ยงร่างกายเลี้ยงจิตใจดูแลจิตใจเพื่อให้จิตใจนี้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ เหมือนกับร่างกายที่เราได้ที่เราได้ดูแลกันด้วยปัจจัยสี่ น, นี่คือความหมายของความว่าวันพระวันพระนี้เป็นวันที่เราจะมาเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราให้จิตใจของพวกเรานี้อยู่การอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ ปราสจากความวุ่นวายใจต่างๆอย่างนั้นเราจึงต้องมีวันพระกันวันพระนั้นก็ต้องเป็นวันที่เราไม่ต้องไปทำงานทาการแต่เนื่องจากนยุ จ, จุบันนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทางานของเราเช่นวันนี้เป็นวันอังคาร ก็เป็นวันทำงานของผู้คนส่วนใหญ่เพราะว่าสมัยนี้วันหยุดนี้จะไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันหยุดทำงานจะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ตรงกับวันพระไม่เหมือนกับสมัยโบราณสมัยก่อนนี้ ประเทศไทยเราจะหยุดทำงานในวันโกนวันพระกันเพราะเราถือขนบธรรมเนียมประเพณีมาจากโบราณการโบราณการนี้เราใช้การหยุดนับวันหยุดตามวันขึ้นแรมของพระของพระจันทร์เร<ม>ียกว่าวันทางจันทรคติ<ม>พระจันทร์นี้มีแบ่งไว้สี่ สี่สี่วันต่อเดือนที่เป็นวันพระคือวันขึ้นแปดค่ำแรมแปดค่ำขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำหรือบางครั้งก็เป็นแรมสิบสี่ค่ำอันนี้เป็นวันที่เราเรียกว่าวันวันพระพระจันทร์ขึ้นเต็มดวงและวันพระจันทร์ดับ ขึ้นสิบห้าค่หมายถึงวันวันเพ็ญวันที่พระจันทร์เต็มดวงแรมสิบห้าค่านี้หมายถึงวันที่พระพระจันทร์ไม่ปรากฏขึ้นในท้องฟ้าเราถือ่เราถือปฏิทินทางจันทรคติไม่ได้ถือปฏิทินแบบสมัยปัจจุบันที่ใช้สุริยคติเรานับวันตามการโคจรของดวงอาทิตย์ แบ่งเป็นเดือนเดือนแบ่งเป็นปีแบ่งเป็นปีละสิบสองเดือนดังนั้นสมัยนี้เนื่องจากเราต้องทำมาหากินกับน า, นานาประเทศซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาจะหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็เลยเปลี่ยนจากวันโกนวันพระ มาหยุดในวันเสาร์วนอาทิตย์กันแต่ทางศาสนานี้เรายังนับวันพระตามแบบโบราณการหรือนับตามวันขึ้นแรมของพระของดวงจันทร์เช่นวันนี้เราก็เป็นวันแรมแปดค่ำเป็นวันพระ ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นวันหยุดทำงานของทางราชการของบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะทุกคนก็ไม่ไปทำงานกันเมื่อไม่ไปทำงานก็จะได้มีเวลาว่างไปวัดกันนั่นเองแต่สมัยนี้วันพระนี้มักจะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานเช่นวันนี้เป็นวันอังคาร คนที่ทำงานกับราชการหรือทางานกับบริษัทต่างๆก็จาเป็นที่จะต้องไปทำงานเพราะไม่ใช่เป็นวันหยุดทำงานวันหยุดทำงานนี้ไปตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เลยไม่สามารถมาวัดได้ไม่สามารถมาทำหน้าที่ดูแลจิตใจของตนเองได้ ี่คือปัญหาของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันนี้คือปัญหาวันพระนี้ไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของชาวพุทธเราชาวพุทธเราอยากจะมาวัดก็มาไม่ได้ในวันวันในวันนี้เพราะต้องไปทางานก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ เลียงดูรักษาจิตใจให้อยู่อย่างมีความสุขให้อยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่เราชาวพุทธผู้ที่มีความปรารถนาหรือมีมีความเห็นสำคัญของจิตใจว่า เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยเลี้ยงดูรักษาให้อยู่อย่างสุขสบายให้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนวันพระของเราให้มันตรงกับวันหยุดของเราเช่นถ้าเราหยุดทา ง, งานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ควรจะถือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เป็นวันพระเป็นวันที่เราจะได้มีเวลามามาทาหน้าที่เลี้ยงดูรักษาจิตใจด้วยการทําตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนพระเจ้าทรงสอนชาวพุทธเราว่าเรามีทุระอยู่สองชนิดด้วยกันมีทุระหน้าที่อยู่สองชนิดด้วยกัน หน้าที่อันแรกท่านเรียกว่าคันธทุระแปลว่าการศึกษาข้อทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบําบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจ <S S S S เรียกว่าคันถธทุระ<ม>อันนี้เป็นทุระข้อที่หนึ่ง<ม>ที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามทํากันให้เป็นกิจจลักษณะ แล้วให้ทำทุระข้อที่สองหลังจากที่ได้ทําทุระข้อที่หนึ่งแล้วคือหลังจากที่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อ น, นำมาไปใช้ในการบำบัดบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่จิตใจแล้วข้อที่สองทุระข้อที่สองก็คือวิปัสสนาทุระแปลว่าทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้แจ้งขึ้นมาให้ปรากฏเป็นผลขึ้นมานั่นเองคือหลังจากที่เราเรียนวิธีปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกบำรงสุกให้แก่จิตใจแล้วเราก็ต้องนำเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้นี้มาปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเราถ้าเราไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติด้วยกายวาจาใจของเรา ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราันี้ยังจะไม่หายไปยังจะไม่หมดไปความสุขต่างๆที่ใจเราเพึงจะมีก็ยังยังไม่ปรากฏขึ้นมานเราต้องนำเอาไปปฏิบัติไปทําวิปัสสนาธุระนี่คือธุระสองธุระด้วยกันถ้าเราทําธุระทั้งสองธุระครบบริบูรณ์ เราก็จะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐแก่จิตใจของพวกเราโดยจิตใจของพวกเราก็จะอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขการที่เราจะมาทำธุระสองธุระนี้ได้เราก็ต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เช่นวันนี้พวกท่านที่มาอยู่ที่นี่ได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ทํางานตามที่บริษัทหรือทางราชการกําหนดไว้ให้ต้องไปทํางานท่านอาจจะเป็นผู้ที่ประกอบการอิสระสามารถเลือกวันหยุดทํางานได้ตามความต้องการท่านจึงมีเวลาที่จะมา วัดได้กางที่จะมามาวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่วัดนี้เป็นที่ที่เราจะสามารถทําธุระทั้งสองนี้ได้อย่างสะดวกอย่างครบถ้วนครบถ้วนบริบูรณ์เช่นการมาทําคันธะธุระคือการมาศึกษาว่าทำคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรามาวัดเราก็จะได้มาพบกับพระพระภิกษุผู้ที่ได้ศึกษาพราะธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าจนได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วท่านก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่ท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงนี้มาเอยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไปได้อันนี้คือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องเข้าวัดกันเพราะเราต้องเข้าหาเพราะทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่เนื่องจากสมัยนี้ก็เป็นยุคที่มีการสื่อสารที่ค่อนข้างที่จะ จเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดมาหาพระให้สอนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถละสามารถเข้าถึงได้ด้วยสื่อหลายวิธีหลายสื่อด้วยกันเช่น เราสามารถอ่านพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการบันทึกคำสอนไว้เป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือที่เราสามารถที่จะ เ, เรียกมาอ่านได้จากเครื่องมือสื่อสารของเรา mm. เช่นโทรศัพท์มือถือของเรา mm. เราอยากจะเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อใดข้อหนึ่งเราก็สามารถค้นหา เรียกขึ้นมาอ่านได้นอกจากมีธรรมะที่เป็นในรูปแบบของตัวอักษรแล้วก็ยังมีธรรมะในรูปแบบของภาพและเสียงคือมีการอัดวีดีโอกับอัดเสียงที่เราสามารถที่จะเรียกขึ้นมาดูมาชมมาฟังได้อยากจะฟังเทศฟังธรรมบทไหนข้อไหนก็สามารถค้นหาได้ อันนี้ก็ จ, จะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดก็ได้ถ้าเราอยากจะเรียนรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำบังสุขให้แก่จิตใจของพวกเราแต่เราก็ยังต้องนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาการที่เราจะปฏิบัติ พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดผลขึ้นมาเราก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ที่สงบสังัดวิเวกที่ห่างไกลจากเครื่องเยื่อยวนใจต่างๆเกือรูปเสียงกลิ่นรสผดท่พระชนิดต่างๆเพราะว่าการปฏิบัตินี้เราต้องการทำใจให้สงบนั่นเองและใจเราจะสงบได้ยาก ถ้ามีเรื่องราวต่างๆคอยมารบกวนใจอยู่เรื่อยๆถ้ามีเรื่องเข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางร่างกายมันก็จะมาขัดขวางการที่เราจะทำใจให้สงบเพื่อให้ใจของเราเกิดความสุขขึ้นมาเพื่อให้ใจของเรานี่ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็าจำเป็นที่ยังจะต้องมาวาดอยู่ ยกเว้นว่าถ้าเรามีที่อยู่ที่เป็นเหมือนเป็นที่สงบสงัดวิเวกเช่นสมัยนี้เราอาจจะมีคอนโดมีห้องพักอ่ะที่สามารถที่จะเก็บเสียงไม่ไม่รับเสียงอะไรต่างๆภายนอกเข้ามาได้แล้วเราอยู่คนเดียวเราก็อาจจะสามารถใช้ที่พักของเรานี้ เป็นที่ปฏิบัติทำก็ได้ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องไปไปปฏิบัติที่วัดก่อนเพราะที่วัดก็จะมีข้อกฎระเบียบต่างๆมีข้อห้ามต่างๆเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ใจของเราไปรับรู้ เรื่องราวที่จะมาทำให้เกิดความวุ่นวายใจเรื่องราวที่จะมาทำให้เกิดความไม่สงบแก่จิตใจเราก็ยังจาเป็นที่จะต้องไปวัดแต่ต้องไปวัดที่เป็นวัดปฏิบัติธรรมสมัยนี้วัดของเรานี่มีหลายรูปแบบด้วยกัน mm. ก็จะแบ่งเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆก็คือวัดที่มีกิจกรรมต่างๆ mm. มีงานต่างๆ มีงานศพมีงานบันเทิงมีงานวัดมีมีงานก่อสร้างอะไรต่างๆหรือเป็นเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวมาชมดูท่าวระวัตุต่างๆมาดูพระพุทธรูปชนิดต่างๆมาดูสถาปัตยกรรมทางศาสนา ดูบสถดูเจดีดูอะไรต่างๆถ้าเป็นวัดแบบนี้ไม่ไม่ใช่เป็นวัดที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมวัดที่เป็นวัดที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมนี้<ม>จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในถ้ำกลางสภาพของธรรมชาติ<ม>ของป่าของเขา<ม>เป็นวัดที่ปราศจากกิจกรรมต่างๆ ไม่มีงานศพไม่มีงานงานวัดไม่มีงานก่อสร้างไม่มีอะไรต่างๆเหล่านี้<ม>เป็นวัดที่มีแต่การศึกษาพระธรรมคำสอนในวัดที่มีแต่การปฏิบัติธรรมเท่านั<ม>้นถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติวา่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรบ้าง<ม>เราก็อาจจะต้องไปอยู่ตามสถานที่ ที่เขามีการจัดกิจกรรมการปฏิบัติเรียกว่าเป็นหลักสูตรหลักสูตรสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเพื่อที่เราจะได้ไปศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อที่จะบำบัดทุกข์บำลงสุขให้แก่จิตใจของพวกเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่าง ที่ในชีวิตของพวกเราทุกคนจะต้องพบปะกันไม่ช้าก็เร็ว อ, อันนี้คือวัดที่เราต้องสวงหาถ้าเราอยากที่จะทําทุระข้อที่สองหรือทุระข้อที่หนึ่งคันถัดทุระศึกษาเพราะทำคำสอนศึกษาวิธีการปฏิบัติ บ, บ, บําบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจแล้วก็นำเอา วิธีการที่เราได้ศึกษาในการบำบัดทุกข์บำบัดสูงให้แก่จิตใจนี้มาปฏิบัติมาปฏิบัติกับใจของเราเพื่อทําให้ใจของเรานั้นมีความนุ่มเย็นเป็นสุขมีภูมิที่จะป้องกันไม่ให้ไปทุกข์ไม่ให้ไปวุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องมี มีปรากฏขึ้นในชีวิตของเราไม่ช้าก็เร็วเช่นความความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกายการพัดพากจากคนที่เรารักบุคคลที่เราชอบแล้วสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งทีจ่จะต้องมีการเกิดขึ้นที่เราจิตใจของเราจะต้องไปประสบพบเห็น ถ้าจิตใจเราได้รับการฝึกฝนอบรมด้วยการปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อมา สอนให้ใจรู้จักวิธีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขท้ามกลางความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยที่ใจไปมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเช่นร่างกายก็ดีหรือลาบยศสรรเสริญหรือความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสกับ รูปเสียงกลิ่นรสผธภัชชนิดต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนวเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เสมอมีโอกาสที่จะขึ้นจะลงได้มีโอกาสที่จะเกิดที่จะดับได้เวลาที่มันอยู่ในเปลี่ยนไปในสภาพที่ไม่ดีหรือ เวลาที่มันดับไปถ้าใจเราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาก่อนเวลาได้พบกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราลักที่เราชอบหรือเวลาที่เราจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันใจของเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราได้มีการปฏิบัติธรรมมาอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเราไม่ได้มีการปฏิบัติทำกันมาอย่างต่อเนื่องใจของเราจะต้องเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นมาทันทีเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีอ น, นี้ก็คือเรื่องของการทำธุระข้อที่สองคือการปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาธุระการทำการปฏิบัติตามคําสัง่งคําสอน เพื่อให้ใจมีความสามารถในการที่จะรักษาใจให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไปกับการแปรปรวนของเหตุการณ์ต่างๆของสิ่งต่างๆที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วย mm hmm. เช่นลาบยศสลเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะและร่างกายของของพวกเราทุกคน ที่จะต้องมีการแ ป, ปลปูนไปเปลี่ยนไปต้องมีการเสื่อมไปและมีการดับไปในที่สุดนี่คือเรื่องของหน้าที่วุธิระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้กับชาวพุทธเรามาทากันในวันพระและจำเป็นที่ต้องทำกันอย่างเป็นรูปแบบ คือทำกันทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นใน mm hmm. วันพระท่านจะแสดงว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืน mm hmm. จะรักษาศีลหนึ่งวันกับหนึ่งคืน mm hmm. จะภาวนาจะบาเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. ชำระใจให้สะอาดให้สงบตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น mm hmm. ที่จะไม่ได้ปฏิบัติธรรม เพราถ้าเราไม่ปฏิบัติแบบต่อเนื่องแบบเป็นเต็มรูปแบบนี้ผลมันจะไม่เกิดขึ้นมานั่นเองถ้าเราปฏิบัติเพียงแค่ครั้งละสิบห้านาทีสามสิบนาทีถ้าทำอย่างนี้แล้วผลมันจะเกิดขึ้นได้ยากม เ, เมื่อมันไม่เกิดผลศรัทธาที่เราอาจจะมีในเบื้องต้นต่อคำสั่งคำสอนต่อการปฏิบัติ แต่พอปฏิบัติไปได้เพียงนิดเดียวแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาขึ้นมาได้เกิดความท้อแท้ไม่มีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติตามนั่นก็เป็นเพราะว่าการปฏิบัติของเรานี่มันมันน้อยไปมันไม่พอเพียงต่อการที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมานั่นเอง ถ้าเราอยากจะได้สัมผัสกับผลนี่เราควรที่จะมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันหนึ่งคืนคือวันพระนี่<ม>เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิบัติของการปฏิบัติถ้าเราเริ่มได้สัมผัสกับผลที่ได้จากการปฏิบัติในวันพระแล้ว ม, มันจะทำให้เราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเห็นว่าจิตใจของเรานั้น มีพลังเพิ่มมากขึ้นมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นที่จะสามารถเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้มากขึ้นที่จะไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับการสูญเสียหรือกับการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งทั้งหลายทั้งปวง เ, เมื่อเราได้มีเห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ของเราแล้วมันก็จะเริ่มมันก็จะทําให้เรามีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นมีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นพอเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเราปฏิบัติหนึ่งวันหนึ่งคืนเราได้เท่านี้ถ้าเราปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเราก็จะต้องได้รับผลที่ดีอย่างนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถ้าเรา ทำสามวันมันก็จะได้สามเท่ามันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะ <c oughs> หาเวลามาให้กับการปฏิบัติมากขึ้น <c oughs> การทำมาหากินนั้นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้เราก็อาจจะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องทำทั้งหกวันด้วยกัน ทำงานทำหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจริงๆนี้ทําแค่วันหนึ่งก็พอเรืองวันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็พอเพราะว่าปัจจัยสี่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะต้องใช้เวลาให้กับการหามามากนะส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้ไปกับการหาเงินหาทองนี้ไม่ได้เอามาเล้ยงดูร่างกายหรือซื้อปัจจัยสี่ที่ แบบแบบพอเพียงเราไปซื้อของที่มันแพงจนเกินความจําเป็นไปเช่นนะปัจจัยสี่แทนที่เป็นปัจจัยสี่ที่ไม่มีราคาแพงเราก็มักจะหลงคิดว่าการที่เราจะมีความสุขเราต้องมีปัจจัยสีที่มีราคาแพ ง, แพง เจนอาหารเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีราคาแพงๆเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ต้องมีราคาแพงๆที่วย่อาศัยก็ต้องมีราคาแพงๆการรักษาพยาบาลก็จะต้องเสียเงินมากๆถึงจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ที่ดีอันนี้มันเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าปัจจัยสี่ไม่ว่าจะราคาแพงหรือราคาถูกมันก็สามารถทำหน้าที่ของปัจจัยสี่ได้เท่าเท่ากันอาหารมือร้อละร้อยกับอาหารมื้อละพันมันก็ทำหน้าที่เท่าเทียมกันคือทำหน้าที่ดับความหิวของร่างกายเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการขาดสารอาหารต่าง อันนี้แหละที่ทำให้เราเราเสียเวลากันมากเพราะเราถูกความหลงถูกความไม่เข้าใจของเราเองในการเลี้ยงดูร่างกายของเราว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราด้วยสิ่งที่มีคุณค่าราคาที่สูงๆต้องใช้ของแพงๆถึงจะเลี้ยงดูล่างกายของเราได้อย่างดีแต่ความจริงถ้าเราดูที่ประโยชน์ที่จะได้รับนี้มันไม่ต่างกันกัน อาหารมื้อละพันกับอาหารมื้อละร้อยประโยชน์ที่ร่างกายได้รับก็เท่ากันหน้าที่ของการรับประทานอาหารก็มีไว้เพื่อที่จะดับความหิวของร่างกายบ้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นเร็วเกินไปแล้วก็ให้ร่างกายมีสารอาหารครบบริบูรณ์เพื่อที่จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ พ, พิการไปเท่านั้นเอง เช่นเดียวกับเสื้อผ้าพอนที่เราสวมใส่เสื้อผ้าก็มีไว้ทำไมก็มีไว้ปกป้องร่างกายปกปิดร่างกายป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากการที่จะมีมะแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆมามากัดร่างกายหรือเวลาไปเจอของมีคมของแหลมของคมต่างๆถ้ามีเสื้อผ้าพอนไว้ใส่ก็อาจจะป้องกันได้ในระดับหนึ่ง เท่า น, นั้นแหละนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันเพื่อปกปิดร่างกายให้ของเราให้มิดชิดเพื่อจะได้ไม่ดูดจ่าตาเ mm hmm. ทา น, นั้นเอง mm hmm. จะเป็นเสื้อผ้าชุดละมืนหรือเสื้อผ้าชุดละพันมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปัญญาใช้ความคิดเราก็า จ, จะถูกความหลงครอบงำ หนูให้เราคิดว่าเราจะวิเศษถ้าเราได้ใช้ของแพงๆได้ใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆใส่เครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็น แ, วแหวนเงินทองสร้อยคอหูต้มหูอะไรต่างๆนั้นมันเป็นเครื่องประดับที่ไม่ได้ไม่ได้มีคุณค่าประโยชน์ทางร่างกายเลยมันเป็นเรื่องของความหลงความงงง่ายต่างหก ที่คิดว่ า, าการได้ใช้ของสิ่งเหล่านี้แล้วจะทำให้ตนเองมีคุณค่าราคาขึ้นมาถ้าจะมีคุณค่าราคาก็ไม่ใช่ที่ละไม่ใช่ร่างกายมีคุณค่าราคาขึ้นมาสิ่งที่ทําให้มีคุณค่าราคาขึ้นมาก็ของประดับนี่เองพวกแหวนพวกทองพวกเพชรต่างๆเวลาขโมยมามาป้นมาที้มันไม่เอาร่างกายไปหรอกมันเอาแต่แหวนเอาแต่ทองเอาแต่แหวเอาแต่เอาแต่เพชรไป ร่างกายนี้มันไม่มีคุณค่าราคาสําหรับขโมยเพราะกับโจรถ้าเราใช้ของแพงๆเหล่านี้ใช้ของเครื่องประดับที่มีราคาแพงเราไม่ได้เสริมคุณค่าของร่างกายของเราเหรอกคุณค่าของร่างกายของเราก็เหมือนเดิมร่างกายเราจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นเหมือนเดิมมันไม่ได้มีเศษวิโสขึ้นมาแต่อย่างใดเนี่ยเราเสียเวลาให้กับการที่จะไปหาของ ของฟุ่มเฟือยของหรูหราของที่มีราคาแพงๆมันจึงทำให้เรานี้ต้องทำงานแทบเป็นแทบตายกันแทบจะหาเวลาว่างจากจากการทำมาหากินเพื่อเอาเวลามาให้กับการทำหน้าที่เลี้ยงดูจิตใจของเราแทบจะไม่มีเลย mm hmm. เพราะว่าพอมาถึงวันหยุดเราก็จะต้องมาหาความสุขกันทาง ตาหูจมูกลิ้นกายกันเองเพราะเราคิดว่านี่คือความสุขของเราความสุขจากการที่เราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดกะพะชนิดต่างๆด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยการไปพักอยู่ตามสถานที่ไปกินไปดืม่มไปรับประทานอาหารอะไรต่างๆตามความอยากของเราซึ่งการที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้มันก็ทาให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุข มีความสบายไปชั่วระยะหนึ่งท่านนั้นเองเพราะหลังจากที่เราได้เสพได้สัมผัสผ่านไปแล้วความสุขต่างๆเหล่านี้มันก็จางหายไปหมดใจเราก็กลับมารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมมันจะทำให้เราต้องพยายามต้องไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสผลธรรพะแบบนี้ไปเรื่อยๆในอาการที่จะ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดะพานในรูปแบบต่างๆได้เราก็ต้องมีเงินทองไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาเสกมันก็ทําให้เราจะต้องไปดิ้นรนทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เรานี้แทบจะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการเลี้ยงดูจิตใจของเราเลย น, นี่คือปัญหาของพวกเราทุกวันนี้ คือไม่มีเวลาที่จะมาวัดไม่มีเวลาที่จะให้กับการทําหน้าที่อันเลิศอันประเสริฐอันที่จะทําให้จิตใจของเรานี้มีความสุขมีความสบายมีความกล้าหาญมีความอดทนมีความแข็งแก่งต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตใจของพวกเราเพราะเราไม่ได้เอาเวลาไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการศึกษาไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติ เพื่อจิตใจของพวกเรานั่นเองเราเวลาของเราทั้งหมดไปให้กับการเลียงดูร่างกายและหาความสุขทางร่างกายกันซึ่งเป็นของชั่วคราวร่างกายก็เป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้จากการเสพสิ่งต่างๆก็เป็นของชั่วคราวแล้วร่างกายของเรานี้มันก็จะไม่ได้อยู่แบบแข็งแรงอยู่แบบมีกำลังลังชาไปตลอด เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปอายุก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นความเสื่อมของร่างกายก็จะเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะต้องเข้าอยู่ในสภาพของคนแก่คนชราคนที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงมไม่สามารถที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้<ม>อาการจิตไข้ได้ป่วยก็จะมีเพิ่มขึ้นตามลำดับ แทนที่จะมีเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็ต้องเอาเวลาไปเข้าโรงพยาบาลกันไปหาหมอหาอยู่ค้ายากันอยู่กับบ้านไปอยู่ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลในที่สุดก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปจนถึงวันตายไปนี่คือถ้าเรามุ่งมั่นอยู่กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็คอย หาความสุขผ่านทางร่างกายในบ้านปลายชีวิตของพวกเราเนี่เราจะเจอแต่ความทุกข์กันเจอแต่ความความเหงาความเศร้าส้อยความซึมเศร้าเพราะว่าเราจะไม่สามารถทำอะไรเหมือนกับสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อันนี้คือปัญหาที่จะตามมาถ้าเรายัง ดำเนินชีวิตของเราเพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วก็หาความสุขผ่านทางร่างกายของเราไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายของเรามันก็จะต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วช่วงนั้นแหละมันจะเป็นท่วงที่ทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่ได้เมีถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้มาปฏิบัติทาเพื่อเลี้ยงดูให้จิตใจของเรานี้อยู่อย่างมีความสุข โดยที่ไม่มีความเดือดร้อนกับสภาวะที่จะเปลี่ยนแปลงไปของร่างกา ย, ยานี่คือความสําคัญของมรพระของการทําธุระทางด้านจิตใจคันธาธุระและวิปัสสนาธุระธุระสองธุระนี้จะสอนให้เราสร้างความสุขให้กับจิตใจสอนให้เรารู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจจะทำให้เรานี้อยู่อย่างปราศจากความทุกข์ได้ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตามย่างร่างกายจะอดอยากขาดแคลนร่างกายจะยากจนร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจไวมาก่อนรู้จักวิธีบำบัด ร, รักษาใจของเรา ใจของเรานี้จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความทุกข์ยากลำบากของร่างกายเลยจะไม่ทุกข์กับการอัดตะคัดขัดสนไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่ทุกข์ไม่มีเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาเสพมากินมาดืม่มก็ไม่ทุกข์เพราะว่าจิตใจนี้มีความสุขมีความอิ่มในตัวของมันจิตใจไม่ต้องอาศัยความสุขของทางร่างกายมาให้ความสุขแก่จิตใจแต่อย่างใด แต่ถ้าเราไม่มาศึกษาไม่มาปฏิบัติเราจะไม่รู้จักวิธีเราจะรู้จักเพียงวิธีหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางลาบยศสรรเสริญผ่านทางตาหูจมูกดิ้นกายพอเราไม่สามารถหาความสุขผ่านทางลาบยศสรรเสริญผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เราก็จะอยู่อย่างปราศจากความสุขจะอยู่แบบ อยู่แบบหิวโหยอดอยากขาดแคลนทางด้านจิตใจจิตใจจะมีแต่ความเศร้าหมองไม่มีความสดชื่นเบิกบานมีแต่ความหมงุดหงิดมีแต่ความลำคาญใจนี่แหละคือเรื่องของวันทะที่พูดเจ้าได้ทรงกำหนดขึ้นมาให้ชาวพุทธเรา ให้มีวันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้มาบาเพ็ญกิจที่จะทำให้ใจเรามีกำลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลาบากต่างๆของทางน่างกายได้จะทำให้ใจของเรามีกำลังที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้จะทำให้ใจของเรามีกำลังที่จะทำให้ใจนิ่งสงบ ให้อยู่อย่างมีความสุขได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำกันในวันพระถ้าเรายังไม่รู้วิธีการดูแลเลี้ยงดูจิตใจของเราว่าจะต้องทำอย่างไรเราก็ต้องศึกษาดูเพราะทางคำสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดทุกข์บำานุงสุขก็มีสามหัวข้อใหญ่หญๆนี้เท่านั้นเองคือหนึ่งให้เราทำบุญทำทานกันสองให้เรารักษาศีล ทำให้เราภาวนาคือปฏิบัติปฏิบัติจิตปฏิบัติทำให้จิตใจสงบปฏิบัติทำให้จิตใจฉลาดให้มีปัญญาไว้คอยป้องกันความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาให้มันดับไปไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เวลามันเกิดขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะมีความสุขทางด้านจิตใจและจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับ ความทุกข์ยากลำบากของทางร่างกายหรือของทางลาบยศฉละเสริญที่อาจที่มีการเจริญและมีการเสรื่อมเป็นธรรมดามีขึ้นมีลงแต่ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจของเราถ้าใจเราได้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยรักษาศีลอยู่เรื่อยๆภาวนาอยู่เรื่อยๆใจของเราจะเย็นใจของเราจะสงบใจของเราจะมีความสุข ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจของเราหน้าที่การงานของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าเราได้รับการฝึกฝนอบรมได้การสอนสอน ให้จิตใจของเรานี้นั่งอยู่ในความนิ่งอยู่ในความสงบเพราะความนิ่งความสงบนี้จะเป็นที่พึ่งของจิตใจในยามในยามทุกข์ยากลำบากต่างๆถ้าเราสามารถรักษาใจให้นิ่งให้สงบได้ความทุกข์ยากลำบากของเหตุการณ์ต่างๆนี้จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้เลยดังนั้นเราต้องมา ปฏิบัติธรรมสามข้อนี้ให้เรารู้จักการทำบุญทำทานให้เรารู้จักการรักษาศีลให้เรารู้จักการภาวนา<ม>การภาวนาก็คือการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติปัญญานี่เองการภาวนานี้แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเราเรียกว่าส ม, มถภาวนาทาจิตใจให้สงบให้นิ่งด้วยสติด้วยการเจริญสติ แล้วก็หลังจากที่เราสามารถทำใจให้นิ่งได้สติด้วยสติได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ไปสอนใจให้มีปัญญาที่จะสามารถมารักษาความนิ่งของใจที่ได้จากสติให้เป็นความนิ่งที่ยั่งยืนถาวรโดยที่ไม่ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือโดยวิธีไม่ต้องมีอะไรมารักษาใจเพียงแต่รู้ว่ารู้จักวิธีที่จะ กำจัดสิ่งต่างๆที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้หมดไปจากใจพอไม่มีสิ่งต่างๆมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจแล้วใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันชื่นสุน่ <c oughs> นี่คือหน้าที่ของเราชาวพุทธในวันพระคันถธทุระมาศึกษาเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาถ้าเราอยากที่จะ เลี้ยงดูจิตใจของเราให้อยู่อย่างมีความน้อมเย็นเป็นสุขให้มีพลังที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆให้มีความสามารถที่จะป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเราหรือถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็สามารถที่จะกําจัดมันได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องมาทุกข์ทรมานจนกระทั่งเกิดอาการ ซึมเศร้าขึ้นมาหรือเกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นมาเราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติทานทั้งสามข้อนี้การทำบุญทาทานนี้ก็เพื่อให้เราลดละความโลภความอยากในทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนั่นเองเงินทองนี้เราได้มาเท่าไหร่มันไม่มันไม่ได้ทำให้เราอิ่มให้เราพอหรอกได้ร้อยเราก็อยากจะได้เพิ่มเป็นพันได้พันเราก็อยากจะได้เป็นหมื่น ได้มื่นมันก็จะได้อยากจะได้เป็นแสนอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความอยากนี่แหละที่มันจะทำให้ใจเราไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักอิ่มจักพอสติเมื่อไม่อิ่มไม่พอมันก็ไม่มีความสุขเนี่ยเราต้องย้อนกระแสของความอยากความโลภในเงินทองด้วยการเสียสละเงินทองบ่อยจากเงินทองไปเก็บไว้ใช้เท่าที่จาเป็น เงินทองนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสี่นี้ท่านเองที่เราจำเป็นจะต้องมีเราจำเป็นที่ต้องมีปัจจัยสี่การจะมีปัจจัยสี่ได้ก็ต้องมีมีเงินทองไปซื้อมีเงินทองไปซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคถ้าเราทํามาหากินแล้วเรามีเงินทองพอที่จะมีปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายแล้วแล้วถ้ามันมีมากไปกว่า น, นั้น เราก็ควรที่จะแบ่งเอาไปทําบุญดีกว่าเพราะว่าการแบ่งเอาไปทําบุญนี้มันจะลดความโลภความอยากได้เงินทองเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเงินทองมีมากเท่าไหร่อยากคิดว่าเราจะมีความสุขนอยากคิดว่าเราเอาเงินทองต่างๆติดตัวเราไปได้เวลาเราตายไปเงินทองที่เราหามาได้บาทเดียวเราก็เอาไปไม่ได้แล้วเราจะไปเสียเวลาหามันมามากมายทําไม แล้วเวลามีมันมากแทนที่มันจะให้ความสุขกับเรมันก็จะให้ความกังวลกับเรามีมากก็ต้องห่วงมากต้องกังวลมากว่าจะเอาเงินทองไปเก็บไว้ที่ไหนดีแต่รักษามันได้อย่างไรดีแล้วถ้าเกิดมันเกิดการสูญหายไปก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานั้นการมีเงินทองมากเกินความจำเป็นนี้แทนที่จะเป็นสุขมันกลับเป็นทุกขมันกลายเป็นภาระ เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคอยรักษาทำให้เรามีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลกับสถานภาพเงินทองของเราแล้วถ้าเราออกไปใช้หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดนาเสพเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายมันก็เป็นหมือนยาเสพติดดีๆเอง เ, องเสพแล้วมันก็จะติด เคยไปเที่ยวแล้วมันก็อยากจะไปเที่ยวอยูเรื่อยๆเคยดื่มอะไรก็อยากจะดื่มไปเรื่อยๆเคยกินอะไรก็อยากจะกินไปเรื่อยๆเคยดูเคยฟังอะไรก็อยากจะดูเคยอยากฟังไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะทําตามความอยากได้เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขด้วยเงินทองวิธีหาความสุขด้วยเงินทองที่ถูกต้องก็คือ เอาไปทำบุญทำทานอันนี้แหละเป็นการไปหาความสุขที่ไม่มีพิษมีภยัยต่อจิตใจเพราะมันไม่ได้เป็นยาเสพติดการทำบุญนี้มันไม่ได้เป็นยาเสพติดมันเป็นเมื อ, อาหารของใจเวลาได้ทำบุญทำทานแล้วใจจะรู้สึกมีความมีความอิ่มมีความพอไม่หิวไม่โหยกับสิ่งต่างๆไม่หิวไม่โหยกับของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่างๆ ไม่หิวโหยกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่หิวโหยกับการดื่มเครื่องดื่มดูอะไรฟังอะไรกินอะไรสามารถอยู่แบบสามาถาเรียบง่ายได้กินแบบง่ายๆเดื่มแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆใช้ของแบบง่ายๆได้ใจก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องคอยไปหาสิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลความอยากอยู่เรื่อยๆนั่นเอง น, นี่วิธีการที่เราจะสกัดกัน้นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราจะเอาใช้เงินไปในทางที่ผิดใช้เงินไปกับความอยากต่างๆแล้วเมื่อเราใช้เงินมากมันก็จะบีบคั้นให้เราต้องไปดิ้นรนหางานหาเงินมากขึ้นไปอีกเราก็ต้องดิ้นรนทางานทาการมากขึ้นแล้วถ้าบางทีทำงานด้วยวิธีสุดจลิตไม่พอไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไป หาเงินด้วยวิธีทุจริตทำผิดกฎหมายทำผิดศีลธรรมแล้วถ้าพลาดไปก็อาจจะถูกจับไปลงโทษอีกติดคุกติดตารางอีกแทนที่จะมีความสุขกลับต่ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางแล้วถ้าตายไปแทนที่จะได้ไปสวรรค์ก็จะต้องไปนรกแทนไปรับใช้บาปกรรมที่ตนเองได้ทำไว้นี่คือการใช้เงินแบบไม่ถูกทางใช้เงินแบบที่จะทาให้ อาจจะต้องไปทํำบาปทากรรมต่อไปได้เพราะว่าใช้เงินแบบนี้ท่าไหล่ก็ไม่อิ่มไม่พอเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกินเท่าไหรเดินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอซื้อของฟุ่มเฟือยมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่มีเงินซื้อก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาวขึ้นมาและอาจจะทําให้เมื่อไม่มีเงินใช้พอก็อาจจะต้องไปหาเงินโดยวิธีทุจริตขึ้นมา เราก็ต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องคอยหลบหลบหลบหนีโทษที่จะตามมาจากการไปทำการทุจริตต่างๆแทนที่จะได้ความสุขกับจะได้ความวิตกกังวลความหวาดกลัวกับโทษที่อาจจะต้องตามมาต่อไป น, นี่ไม่ใช่เป็นวิธีการหาความสุขด้วยการใช้เงินทองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาใช้เงินทองด้วยวิธีที่ถูกก็คือ ขั้นต้นก็มีเงินทองไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของหรูหราไม่ต้องเป็นของมีราคาแพงๆของที่เป็นของธรรมดาแต่เป็นของที่มีคุณมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพงๆ แ, แต่อย่างไดเงิน แ, แล้วถ้ายังมีเงินเหลืออยู่ก็เอาเมันนี้ไปทำบุญทําทาน เราเก็บไว้บางส่วนเผื่อวันข้างหน้าก็ได้วันข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ทํางานทําการเราก็จะได้อาศัยเงินที่เราเก็บไว้เป็นเป็นเงินที่เอามาเลี้ยงดูเราต่อไปถ้าเรายังมีเหลือก็เอาอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เอาไปทําบุญทําทานแทนที่เราจะไปเที่ยวก็เอาเงินไปทําบุญทําทานไปอยู่วัดไปไปอยู่วัดเราก็ต้องไปทํานุบําำนองวัด ไปทำบุญทำทานเพื่อเราจะได้ใช้สถานที่ของวัดมาเป็นที่รักษาศีลปฏิบัติภาวนาขั้นต้นเราต้องแก้ปัญหาเรื่องการใช้เงินอย่าไปใช้เงินในใ น, ในทางที่ผิดใช้เงินในทางที่ถูกในทางที่ถูกที่เป็นคุณประโยชน์กับจิตใจที่จะมาช่วยบาบัดทุกข์บำรงสุขให้กับจิตใจก็คือการใช้เงินด้วยการทำบุญทาทานนี่ <Yeah. S 2> แล้วเมื่อเรา มีเวลาว่างเช่นวันพระเราก็ไปอยู่วัดกันไปอยู่วัดเพื่อไปรักษาศีลรักษาศีลแปดเพราะว่าเราต้องระ ง, งับการที่เราจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราต้องการที่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี่เราต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เช่นเราไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ดูพวกมอสศบันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของทางร่างกายแล้วก็ไม่นอนมากจนเกินไปการนอนมากเกินไปก็คือนอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆเตียงที่สบายมันจะทำให้นอนมากถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่มันจะนอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพรมันไม่สบายถ้าเป็นนอนบนพื้นแข็งๆแต่ถ้านอนบนฟูกนาะที่นิ่มที่สบายนี่ที่นุ่มที่สบายมันก็จะอยากจะนอนต่อมันก็จะทําทให้เรา <c oughs> เสียเวลามีค่าให้กับการปฏิบัติไปเพราะการไปปฏิบัตินี้เราต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติ <c oughs> การเดินจงกรมการนั่งสมาธิเดินมากเท่าไหร่นั่งสมาธิมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทําทใจให้เราสงบก็จะมีมากขึ้นแล้วถ้าเวลา เราทำแล้วได้ผลใจเราสงบนี้เราจะพบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะมาเปรียบเทียบได้เท่าได้เลย mm. พระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เราสามารถผลิตสามารถสร้างขึ้นมาในตัวของเราเองได้ โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้มีความสุขความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขทั้งปวงถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขครั้งนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราเพียงแต่รู้จักวิธีทําใจให้สงบเท่านั้นเองใจของเราก็จะมีความสุขได้แล้ว ขนาที่ใจเราสงบมีความสุขใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ที่เราไม่ไม่ปรารถนาที่จะพบเช่นเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเจอบุคคลที่ไม่ดีถ้าเราทําใจให้สงบได้เราจะไม่เดือดร้อนเหตุการณ์ไม่ดีก็เรื่องของเหตุการณ์ไปคนไม่ดีก็เรื่องของคนไม่ดีไปแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์ไปวุ่นวายไปกับเขาหรือแม้แต่ร่างกายของเราถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บจะตาย ถ้าใจสงบแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายครับความเจ็บความแก่ความตายของร่างกายใจอย่างไรอันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติคือเพื่อทำใจให้สงบบางต้นเราก็ทำใจให้สงบด้วยสติก่อน<ม>เพราะเป็นวิธีที่ง่ายเพียงแต่เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือเรอหรือเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออกไปอย่าปล่อยให้ใจคิด ถ้าสามารถหยุดความคิดทำใจให้นิ่งได้ใจก็จะสงบได้แต่เวลาสงบมันก็จะสงบได้ชั่วคราวเดี๋ยวไม่สักพักหนึ่งกำลังของสติอ่อนลงใจก็จะถอนออกมาจากสมาธิมาเริ่มคิดมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็อาจจะเกิดทาให้เกิดมีความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาได้ก็ต้องมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าความทุกข์ความวุ่นใจวุ่นวายใจของเรานี้มันเกิดจากความอยากของเราเอง ฉันเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันก็จะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราอยากจะกาจ่ายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็สอนใจให้เห็นความจร Ora, ิงว่าร่างกายมันเป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่อยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายอยู่ดีต้องแก่อยู่ดีต้องเจ็บอยู่ดีไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ เมื่อเรารู้ความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็อย่าไปเราก็หยุดความอยากไม่แก่หยุดไม่ความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายไปยอมรับความแก่ความเจ็บความตายไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปนี่แหละคือวิธีการที่จะทำให้ใจเราอยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอในอนาคตที่จะตามมาต่อไปทุกคน วเวลาทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันใจจะแก่จะเจ็บจะตายแบบทุกข์หรือแบบไม่ทุกข์นี้ก็อยู่ที่เรารู้จักวิธีปฏิบัติใจของเราหรือไม่ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติใจแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกับการสูญเสียกับการพลาดท่าจากสิ่งต่างๆไปเราจะสามารถทําใจของเราให้ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีเวลามีวันพระ ีเวลามาปฏิบัติอย่างน้อยก็หนึ่งวันต่อหนึ่งคืนอันนี้เป็นเพียงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติหนึ่งวันกับหนึ่งคืนไปก่อนพอเราได้รับผลดีแล้วเราก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเองต่อไปเราก็จะไม่อยากไปทำอะไรแล้วนอกจากการไปปฏิบัติเราก็จะไปอยู่แบบนักบวชได้ไปเป็นนักบวชได้เมื่อเราเป็นนักบวชเราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันทุกคืนทุกเวลาต่อไป ก็จะไม่มีความทุกโผขึ้นมาในใจของเราอีกต่อไปเพราะการปฏิบัติของเราจะกําจัดความทุกข์ได้ทุกเวลาตลอดเวลา<ม>นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เรามากระทํากันในวันพระมีสองหน้าที่ด้วยกันคือหนึ่งคันถาทุระคือศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจสองวิปัสสนาทุระการปฏิบัติเพื่อทําให้ความดับของความทุกข์ปรากฏแจ้งขึ้นมาใน ใ, นใจ ถ้าเรามีเวลาเราก็มาปฏิบัติทำธุระสองธุระนี้ได้เมื่อเราได้ทำสองธุระนี้ได้แล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆที่เคยมีในใจของเรามันก็จะหายหมดไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวของวันพระวันธรรมะสวัสดนะว่าทําไมเราพุทธศาสนาจึงต้องมีวันพระมีวันพระไว้เพื่อให้พวกเราจะได้เอาเวลาของวันพระนี้มาสร้างภูมิ คุ้มกันใจมาสร้างวิธีการที่จะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้กาใจนั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาวาเรวาหาปุราปริกุเรนติสาคะลังเอวามวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกับปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉาตุสัพเพปุเรงตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพะโรโวีนัสตุมาเตปวัตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวา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 พอหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกพ็จะมีคนเข้ามาลาบ้างมาถ่ายรูปบ้างทาอะไรบ้างฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไมไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟ e บุ o k พระอาจารย์สุชาติ430ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ263ท่านทาง YouTube ดกรวี67ท่านพิทยุออนไลน์12ท่านครับ h ฮ u s e 8ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ119ท่านรวมทั้งหมด899ท่านครับทำได้ การนวัตก า, ารพระอาจารย์จค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนากุติกรับนวัสการพระอาจารย์จริงหรือไม่คะที่เราแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วเจ้ากรรมนายเวรจะมารบกวนชีวิตเราค่ะออการแผ่เมตตานี้แผ่ยังไงถ้าแผ่ด้วยการสวด น, นี้ไม่ได้แผ่ เร่อเราไหว้พระสวดมนตเสร็จแล้วเราก็ส ว, วดบทสัพเพสัตตาเวลาหงตุอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่การแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำแผ่เมตตาด้วยการกระทำเวลาที่เราพบปะกันไม่ว่าจะพบกับมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานถ้าเราให้ความเมตตากับเขาเราก็จะไม่ทำร้ายเขาถ้ามีปัญหาเราก็จะให้อภัยกัน ถ้าเราสามารถแบ่งปันความสุขอะไรให้กับเขาได้แล้วก็แบ่งกันให้กับเขาปัปการกระทำเหล่านี้ไม่เป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมแต่เป็นการระ ง, งับเวรระงับกรรมเพราะว่าเวรไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวนะเรเวรระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรด้วยการให้อภัยด้วยความเมตตานะถ้าเราอยากที่จะลดละเวรกรรมที่เรามีกับผู้อื่นเราก็ให้อภัยเขาเวลาที่เขามาทําให้เรา เสียใจทำให้เราโกรธทำให้เราแพ้ทำให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็อย่าไปตอบโต้อย่าไปละอย่าไปรางแค่ให้อภัยเขาเลยถ้าอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่มามีิเวณกับเราถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะต้องมาจองเวรจองกรรมให้เราต่อไปนั้นการให้อภัยการให้ความเมตตานี้ไม่ได้เป็นการสร้างเวรสร้างกรรมแต่มีเป็นการ กำจัดเวรกำจัดกรรมให้หมดไปได้เ้าค่ะแล้วอย่างในในลักษณะที่เขาถามมานี่หมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าอยู่คนละพบคนละภูมิเนี่ยค่ะก็ช่วยไม่ได้ต้องเมตานี่ต้องเกิดจากการแสดงกันเวลาที่เราพบปะกันถ้าก็เป็นผีเข้ามาหาเราเนี่ยเราอย่าไปไล่เขาเราควรจะต้อนรับเขาถึงเรียกว่าเมตตา ถ้าไล่เขาว่าไม่เอาอย่ามาอย่งไม่แสดงว่าไม่มีความเมตตาไม่มีความเบนจิตถ้าเราอยากถ้าเขามาหาเราเรามีเรามีอภิน ญ, ญาเรามีตาทิพย์เราสามารถเห็นกายทิพย์ได้เวลาเข้ามาเราต้อนรับเขาในหลักเกี่วความเมตตาไม่ใช่เข้ามาแล้วเขาอย่ามาเลยไปเถิดไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอิดไอ้ <laughs> อ, <ม> <laughs> อย่างนี้แสดงว่าเราไม่เมตตาเขา ความเมตตาเราต้องยินดีให้ความสุขกับเขาถามสารทุกขสุขดิบสบายดีหรือตอนนี้อยู่อยู่ชั้นไหน<ม>อยู่เป็นอะไรขาดหรืออะไรหรือเปล่าให้ช่วยอะไรได้หรือเปล่าอันนี้เรียกความเมตตาเจ้าคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเราไปใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลนี้ก็มีโอกาสได้รับบุญจากเราได้ใช่ไหมเ้าคะถ้าเขารับบุญอยู่ก็ได้ถ้าเขาไปเที่ยวในสวรรค์เขาก็ไม่รู้ก็ได้ว่าเราส่งบุญมาให้เขา มีคำถามจาก youtube พระอาจารย์สักค่จากคุณปิงปิงกราบเรียนถามพระอาจารย์พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันรู้ลมไปด้วยแต่ไม่ใช่ลมเข้าพุทลมออกโทรบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตลอดเวลานั่งก็จะรู้สึกถึงลมเข้าออกระหว่างพุทโธภาวนาแบบนี้ถูกทางไหมครับ ถ้าเป็นไปได้ให้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าดูลมก็ดูลมอย่างเดียว <Yeah. S 1> พุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวดีกว่าถ้าใช้พุโทโธกับลมก็ต้องอยู่กับพุโทโธกับลมไปแล้วก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <Yeah. S 1> เป้าหมายของการภาวนาก็เพื่อหยุดความคิดต่างๆเหตน้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าเราจะใช้วิธีใดก็ตามเราต้องหยุดความคิดให้ได้อยากก่าปล่อยให้ใจคิดเอง มีคำถามอะไรเชิญเป็นชาวต่างชาติเหรอค่ะ you speak English yes good afternoon uh, are you from I'm from America okay what <Yeah. S 1> can I do for you would like to uh, know uh, how I can practice and learn Buddhism I'm um, not I cannot be a monk but I would like to practice and learn Buddhism you go down to study first Read about Buddhism. You can search in the internet. Put in the question, "What is Buddhism?" And you might find uh, a brief answer about Buddhism. Buddhism is the teaching of the of the Buddha to help us get rid of our mental suffering. That's t h that's the goal of Buddhism. Teach us how to eliminate mental suffering. Something that appears when you get old, get sick, or die; when you lose someone you love, or when you face i t something that you don't like. Usually, you have mental suffering. But if you know how to practice, know how to deal with the situation, you can stop your suffering from your, from appearing. So that's the purpose of Buddhism: is to get rid of our mental suffering. But we cannot get rid of our physical suffering, such as aging, sickness, and death. This is the natural course, natural event that we cannot stop. But we can stop our mind from being suffered by our aging, sickness, and death by the practice of meditation. If we can meditate, we can control our mind, and we can keep the mind calm. When the mind is calm, there will be no stress, no suffering. So that's basically what Buddhism is about. Okay, and um, I would also like to learn about the five precepts. The five precepts is a is a, is a pre precondition to our meditation practice. We first have to have no problem with other people. If we don't keep the five precepts, we can go hurt other people. And when we hurt other people, other people will come back and hurt us. So we won't have time to to go and meditate. We will have to try to protect ourselves from being b e n attacked by other people. So in order to prevent these things to happen, don't don't hurt other people. First, keep the precept. First, stop killing. Stop stealing. Stop committing adultery. Stop lying, and stop drinking. Because when you drink, you cannot control yourself. Then you can. It's easy for you to go hurt other people when you are drunk. So this is what you have to do to prevent trouble from appearing to you by your own action. If you don't hurt other people, then no other people will, will not come and hurt you. Then you have more peace of mind that way. Then it will be easier for you to go and meditate. If you have no peace of mind from your your physical action. You'll find very difficult to to make your mind peaceful and calm when you to, when you meditate, because you'll be worried about the trouble that you created. Yeah. Okay, so keep the five precepts to to protect your mind from being being uh, stressful from your own action, from what from the wrong thing that you did. If you didn't know wrong, then there will be no stress from from that. Then you'll find it easy when you meditate. When you meditate, you want to calm your mind, to still your mind, to stop your mind from thinking. And once you can stop your mind from thinking, you can control yourself. Okay. But before you meditate. You, part of the formula is you have to keep the precepts, right? the five precepts, and then the eight precepts. Okay. All right. Anything else? Okay. Where are you from? America. Which state? Uh, California. California. Yeah. LA, south or north? Um. In Palm Springs. Palm Springs. Or? To yeah. the west, right? yes. Uh, to the east, you know. very, Towards, very know. hot. South, yeah. very hot there. That's where most rich people go and stay. n <laughs> <laughs> <laughs> rich people. h huh? oh. I, I would like to know how important is the five precepts? Well, basically, you protect yourself from huh, getting into trouble. <laughs> If you don't drink when you drive, you don't you don't get into accident, you don't get caught caught by the police. If you, if you drink and you become drunk, and when you drive you get stopped by the police, you get ticket, you, you get problem. So s this model is to protect yourself from from trouble, from problem that that arises from your own action. If you don't kill, then you don't have to go to jail, you don't have to go run away from the police. If you don't steal the same thing, if you don't commit adultery, then you will have no problem with your spouse. Mm -hmm. <laughs> so it's protect to protect yourself, really. But we we don't like to be protected. We like to hurt ourselves. We like to break the precept because we cannot control our mind. When we get angry, then we, we tend to do things that will hurt other people, which in turn will come back and hurt us. So try not to drink. This is the first important precept. i s drinking, because when you drink, you can cannot control yourself. You cannot control your action. When you are drunk, when you get angry, you want to hurt somebody, you will not be able to stop. But if you're not drinking, you have, you're awake. You know what's going on. Then when you try, when you want to hurt somebody, you can stop yourself from doing it. So this is the purpose of keeping the the five precepts. The, the the the benefit while you are alive is to protect yourself from trouble, from going to jail, from from, from being attacked by other people in the retaliation to your to your own action. But if you don't believe in the afterlife, if you can keep the five precepts, then you you won't go to hell. You won't go and be reborn as an animal in your next life. you can come back as a human right away. But if you break the precept, you might have to be be born as an animal, or go to hell and suffer the the the consequence of your wrong action before you can come back and be born again as a human being. So once you uh, are able to master the five precepts, then you would be able to effectively meditate. Yes, it will help you to meditate easier. Okay. But you still need to develop some more other qualities. The most important quality is the ability to control your your thoughts. We call mindfulness. You have to be able to focus your mind on one particular object or thing. Like if you want to stop yourself from thinking to steal your mind, you might have to recite a mantra, such as buto buto buto. If you can recite buto buto mentally. For a long time, then you will not be able to think about other things. And eventually, when you don't think about other things, then your mind will stop thinking. Then you will have peace and happiness from from meditation. And you l l find that the peace and happiness that you gain from meditation is much better than the happiness you get from other things. So. You will switch your life around. Instead of going out and having fun, you'll go and find some quiet place to meditate instead. It's a cheaper way of having happiness because you don't have to pay anything, you don't have to buy anything. Just still your mind, stop your mind from thinking with mindfulness. Then, if you can control your mind, keep your mind calm and safe. Then whatever h a p p e n s to your life, you can you will not be affected mentally. If your body gets hurt, if you get old, get sick or die, your mind will not be affected by the aging, sickness and death of the body, because the mind we can keep the mind still and calm and peaceful. But if you cannot meditate, when you get old, get sick or die, y o u w i e you'll become stressful, you'll become very unhappy or depressed. When we m e d i t a t i o n you can stop this depression, distress, anxiety, and worry. So it's good to learn to meditate. Try to do it every day, maybe twice a day. Once in the morning after you wake up, and one in, in the evening before you go to bed. Sit down and meditate. You can use a mantra, bu to bu to, or you can watch your breath at the tip of the nose. Just sit, close your eyes, and look at the breath, in and out, in and out. Don't think about anything. Just watching the breath. Or you can recite a mantra, b u t t o b b u t t o the name of the Buddha. Then your the mind will become steadily calmer and calmer, and eventually it will stop thinking and be perfectly calm and happy. Once you're happy this way, you don't need any other kind of happiness. You can live alone. You don't have to have a girlfriend, or wife, or anything. You don't have to be rich. You don't have to be famous. You don't have to have anything, because it's a better kind of, better kind of happiness, and and, and safer and more secure because you can always have it any time you want. Because this type of happiness doesn't depend on other people or things. Okay. Anything else? No, I want to thank you for explaining all of this. If you want to read my teaching, you can go to my website, my Facebook page. l e t search s for the word Ajahn Suchart. A J A H N Ajahn Suchart S U C H A R T. There'll be my posting there in, in English. You can read. And there are audio you can listen to or video you can watch. I have Tuesday tonight. Every Tuesday night I have a meeting, called Zoom meeting, in which people can come and talk to me and ask question. s Every Tuesday night at 8 p.m. Thailand time. Just go to this web page. It will be live on on Facebook, and you can join the meeting by clicking on the link at the page. Every Tuesday night. Okay. We have lots of international listeners, participants from America, from Canada, from Brazil, from Malaysia, from Indonesia, from Singapore. Quite a lot of people coming. I mean, every Tuesday night. You can watch it live, or you can watch it later on. You can go in, in, into this t a g e right now and take a look at it. Just search for the word Ajahn s u c h a โอเคคุณย okay. right. mm. ินดียมีคําถามเพิ่มมาจากคุณปิงปิงทางยูทูบเจ้าค่ะว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆใจไปคิดเรื่องอื่นเมื่อรู้สึกก็กลับมาที่พุทโธพุทโธพุทโธถูกทางใหม่ครับใช่ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าเผลอแล้ไม่มีสติแล้ว ก็ขาดตอนสติขาดตอนแต่นั้นก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยพูโทโธไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์พราะไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้แต่ถ้าพูโทรพูดโทอย่างเดียวไม่คิดถึงอะไรเดี๋ยวใจก็นิ่งใจก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่อยากจะหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขทั้งปวง ใช่คะ่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะ ก, กับเน้กุติฝากถามเข้ามาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะหนูทราบว่าเวลาที่เราฝันร้ายหรือเวลานั่งสมาธิแล้วสับปะงก หนูมักจะจิตตกลงมาอยู่ที่น่องขาเจ้าค่ะซึ่งเมื่อก่อนจิตตกจะเป็นที่ใจหรือจิตเหนื่อยทั้งตัวแต่ตอนนี้ลงมาที่น่องขาเจ้าค่ะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าค่ะไม่ต้องแก้ไขมองว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนั้นตาไปเราควบคุม บ, บังคับมันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงไปแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปไม่ต้องเอามาคิดให้เสียเวลา กลับเอาจิตมากลับมาหาพุโทโธทำจิตให้นิ่งต่อไปจิตก็มีตกได้มีขึ้นได้มีเจริญได้มีเสื่อมได้เพราะมันยังไม่เรายังไม่สามารถควบคุมมันได้ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นอะไรก็เพียงแต่ให้รู้ไว้ท่านเองรู้ไว้แล้วปล่อยวางไม่ต้องไปทุกข์งมันจ้าค่ะ มีคำถามจากทางเฟซบุ o กเจ้ค่ะกระผมชื่อนายชานศักดิ์สิริสวัสดิ์ขอน้อมกราบในมัสกการหลวงพ่อสุชาติขอรับกระผมขอกราบอนุญาตกราบเรียนถามหลวงพ่อเพื่อเป็นความรู้ขอรับเพื่อเกิดเมือ่อ เผื่อเกิดได้เข้าไปปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิที่ป่าชา้าหรือบ้านล้างแล้วต้องเจอวิญญาณที่มีรูปร่างหรือสัตว์เลื้อยคานตัวใหญ่ที่มีพิษหรือไม่มีพิษกำลังเข้ามาหาตัวเราแล้วจะทำอย่างไรต่อไปขอรับหลวงพ่อขอได้โปรดชี้ทางกระผมด้วยขอทับสาธุสาธุครับให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ ทำเป็นเหมือนซากศพมันก็จะไม่มีอะไรมามายุ่งกับเราถ้าเราไม่ขยับมันก็คิดว่าเราเป็นซากศพถ้าเราเป็นซากศพมันก็ไม่สนใจเพราะมันสิ่งที่มันกังวลก็คือของที่อยากจะมาทําร้ายมันได้แต่พอมันรู้ว่าเรานิ่งเราเฉยมันเราไม่ทำร้ายมันเดี๋ยวมันก็ไปถ้าใจเราไม่นิ่งมันจะขยับเราก็ต้องท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้า แล้วถึงพ่อพระเจ้าเราไม่อยู่ก็ให้เราเลิกถึงพระธรรมคาสอนพุทโธไปไม่อยู่ก็รำโมไปทำโมไม่อยู่ก็รรธธรรสังโคไปพุทโธธทำโมสังโคพุทโ ธ, ธรำโมสังโคไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะนิง่งพอใจนิ่งแล้วภัยต่างๆก็จะไม่เข้ามาหาเราเชิญค่ะคําคถามจากคุณกริจจันจัน อยากถามพระอาจาย์เวลาเราใส่บาตรเราใส่บาตรทุกวันแล้วเราสามารถกรวดน้ําแค่ครั้งเดียวได้ไหมหรือไม่เจ้าคะธรรมดาก็มักจะทําทําบุญใส่ก็กวดน้ําไปเลยพอใส่บาตรใส่ก็กวดไปเลยก็ถ้าเราไม่ทำทันทีเดี๋ยวเราจอาจจะลืมได้เดี๋ยวเราไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องงา น, นเรื่องการทําอะไรต่างๆเดี๋ยวเผลอลืมได้ ด้วยวิธีทำเนียมการปฏิบัติพอทําบุญเสร็จก็กวดน้ําไปให้มันเสร็จๆไปเลยทีเดียวจบถ้าทําอีกก็กวดอีกก็ได้แต่ถ้าถ้าทําผลเดียวแล้วไปกวดสิผลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกวดผลเดียวก็พอค่ะจากคุณประสิทธิ์หนูหอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามพระอาจารย์ครับ การปฏิบัติธรรมท่องภาวนาตลอดเวลาเมื่อนึกได้จําเป็นต้องไหว้พระสวดมนต์ด้วยไหมครับเ อ, อไม่อย่าเวลาภาวนาไม่ต้องไปไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระนี่มันทําก่อนที่เราจะมาภาวนาพอภาวนาแล้วเราก็อยู่กับพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเราต้องการทําให้ใจนิ่งกายนิ่งอย่างไม่ท ไ, ไม่ทําอะไรถ้าไปทําอะไรก็แสดงว่ากายเราไม่นิ่งใจเราไม่นิ่ง เจ้าค่ะจากคุณธนาวดีเมื่อเราเจอเช่นสุนัขตายข้ามถนนเรามีจิตที่สงสารอยากให้เขาไปพบภูมิที่ดีต้องทําอย่างไรเจ้าค่าะการเฉยเฉยไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้เราจะไปพบภูมิที่ดีไม่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เขาทำนะเจ้าค่ะ ยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีก็เวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านทรงนำเอาเสร็จที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ